ในช่วงต่อไปอสำหรับผู้ถามปัญหาจะยกมือถามหรือจะเขียนถามก็ได้ในส่วนต่างๆที่เราได้ศึกษามานั้นหลักสูตรเฉพาะเขาเรียกว่าทูเดลิท r e ส์เนี่ยซึ่งวันนี้เป็นเชั่นๆทั้งหมดโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นสูตรวิธีการเข้าสู่หลักการของรับาเทียนโดยตรงก็ได้ แต่วันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวเป็นภาพกว้างๆ <c oughs> <c oughs> ให้เห็นว่าในพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบบแบบหลักการคือเป็นแบบนี้นะฮะหลักการของเริยสัตวพ์พวกนี้เข้าสู่หลักการในะวิธีการข้เทียนเป็นยังไงดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาทำาความเข้าใจขั้นพื้นฐานกันก่อนก็ใน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 ปรากฏว่าหลวงตาองค์นี้ก็ตั้งใจปฏิบัติดีแต่ว่าไม่ค่อยได้อารมณ์เลยเพราะอะไรเพิ่งมาทราบเรื่องหลังท่านไปก่อนที่มาปฏิบัติเนี่ยท่านทาแบบหนอมาก่อนไปเข้าหนอหลายๆครั้งที่ครั้งแล้วเป็นเดือนทีนี้ก็จะมะีผู้นำปฏิบัติเป็นห้องใหญ่แบบนี้ซ้ายย่างเราก็เดินพร้อมกัน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 ซึงมันก็จะอยู่ในเวทนาเอาทุกขเวทนามาเป็นตัวอัตตาอีกที่หนึ่งเรียกว่าในตระ ก, กูลของความพอใจความสบายกายเรียกว่าสุขเวทนาพัฒนาไปสู่ความสบายใจความพอใจเรียกว่าเป็นตัวเวทนาที่สองเรียวโสโสมนัสเวทนา ถ้าสติไม่กำหนดรู้ตัวสบายกายปั๊บมันเคยพัฒนามาเป็นโสมนัสเวทน า, วาความพึงพอใจความยินดีพอใจในความสบายนั้นเราก็ไม่ได้ฝึกสติมาเราก็ไม่ได้กำหนดรู้ว่าคือความสบายใจนีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเราไม่ได้กำหนดรู้แบบนี้เราก็เสพความพึงพอใจอันนี้ความพึงพอใจนี้ก็จะเ ป, เปลี่ยนแปลงเป็นตัวอพิชา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 ลองตามดูที่เอาลากที่หนึ่งคืออะไรความสบายกายใช่ที่เราได้ขณะ น, นี้เราก็อยากจะรู้สึกอยากจะได้ความสบายาสบายกายอยู่นานๆใช่ก็เป็นสองโสมนัสเวทน า, าความสบายกายนี้เรียกว่าสุขเวทนาใช่ไหมความพึงพอใจในความสบายนั้นเรียกว่าโสมนัสเวทนา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 11กมุปดกาโปทาน12บโลภะสิบสองโลภานุใสสิสเป็นกามาสวะถึง13บามร่างด้วยกันมันจะขยายขยายขยายขยายไปเรื่อยเจนถึงขั้นระดับกามาสวะแล้วเป็นละเอียดกิเลสในความสบายที่ละเอียดที่สุดที่เรียกว่าสวรรค์ที่ไปแยกสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นกามาพรจร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 ฉุนพยาปาทะก็จะเป็นโกรธะโกรธะก็จะเป็นเป็นโกรโทรสะเสียใจโทสะก็จะมาเป็นปริเทวะคล่ำครวนปริเทวะโทมนั ส, สะปริอุปายาสะ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 คือรู้แบบยังไงไม่ชัดหลางๆก็เรียกว่าอุเปกรขาเวทนาเท่นั้นอุเปกรขาเวทนาก็อุเปเเขาสามัมพุทธชงจิตขุนละเรื่องกันนะพออเเกรขาเวทนาปั๊บเราก็จิตใจของเราอ่ามันมั น, มนงง ง, งวยงว ย, งวยสงสัยนะว่าเป็นอะไรกันเนะี่ยเป็นอุเปเเขาเวทนาเวทนาก็เปลี่ยนมาเป็นโมหะนะ โมหะคือหลงลืมอาการที่ปรากฏในกายในใจขณะนี้ไม่เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรกำลังเกิดจิตของเราวิ่งว่อนล่อนเล่อไปทั้งอื่นอาการปรากฏคราวนี้เห็นไม่ชัดพอเห็นอาการสุขก็ไม่ชัดทุก็ไม่ชัดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ชัดคิดก็ไม่ชัดไม่คิดก็ไม่ชัดรู้ไม่ชัดสักอย่างก็เป็นโมหะหลงโมหะก็พัฒนามาเป็นทิฏฐิ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 กิเลสอย่างยาราคาโทสามหะก็พัฒนามาจากอนิจจังทุกขังนาตานั่นเองที่เราไม่ได้ตามรู้กิเลสอย่างอ ย, ยาเบื้องตุลพอไม่ตามรู้ว่าเป็นกิเลสอย่างกลางคือตัณหามนติฐิกิเลสอย่างกลางแล้วไม่ตามรู้ก็เปลี่ยนเป็นกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะก็ เ, เริ่มต้นมาจากตัวอนิจจังทุกขังนาตามือนกันเพราะฉะนั้นโทษแห่งการไม่ตามรู้ทําให้รากเงาของกิเลสขยายตัว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 ยาวลึกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวอุเบกขาเวทนาเพราะนั้ น, นพรหมทั้งหลายก็เกิดไปจากตรงนี้เองคือนั่งซื้อเบืหลายๆวันหลายเดือนหลายปีโดยไม่รับรู้อะไรเป็นอุเบกขาเวทน า, าก็กลายไปเป็นพรหมจนลูกฟักในที่สุดเป็นพรหมเพราะนั้นอายุของพรหมถึงยาวที่สุดเป็นหมืน่นหมืนหม่นปีเคยได้ยินใช่ไหมเพราะตัวนี้เองไม่ได้ตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้น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 ฮะเป็นรูปหรือเป็นนามเออเออเอานี่นะเอาอย่าลืมหลักนะได้ยินหนอสิ่งที่ทำให้เราได้ยินเนะี่ยหนึ่งเสียงที่มากระทบใช่ไหมเห็นหนอถ้าเห็นมาหน่่งมาว่าเห็นเสาหนอเห็นแสงหนอแต่ว่าเห็นหนอคือเห็นอะไรเห็นข้างในีง น, นะเห็น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 อาการเบอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้เบาต่อไปโดยที่เอาหนักเอาเบานั้นเป็นเหมือนแปลงเชื้อน้ํามันให้เป็นไฟโดยการจุดตัวสติสัญญัตงไปเหมือนกับไฟแช็คตัวน้ํามันตะเกียงไม่อกี่เปลี่ยนเหมือนฟืนมันหนาไปเอาง่ายๆดีกว่าเปลี่ยนน้ามันตะเกียงตัวนั้นเป็นนิมิตที่เป็นรูป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 ที่ตามรู้อาการของรูปแต่ไม่ได้เอารู้รูปถ้ารู้รูปมันเป็นเรื่องของสมาธิตั้งจิตไว้เป็นสมาธิแต่อาการตามรู้ของรูปเป็นอาการของสติสมั ย, ยะที่จะเปลี่ยนตัวอาการของรูปให้เป็นตัวรู้เฉยๆเรียกว่ายานปัญญาเข้าใจนะโ okay. อเคการเดินจงกรมธรรมะแปดแต่และองค์ละบทอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคําตอบเดียวกันคําตอบที่หนึ่ง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 เพราะนั้นถ้าหากว่าไปสายของวิปัสสนาต้องเป็นยานแต่ไปสายของสมถะต้องเป็นฌานจะเดินสายฌานหรือสายยานถ้าเดินสายฌานไปสู่สมถะแต่ไปเดินสายยานเป็นวิปัสสนาแต่ตัวสติตัวนั้นเป็นตัวกุญแจสําคัญว่าคุณจะเปิดประตูไปสู่ฌานหรือสู่ยานถ้าเปิดประตูไปสู่ฌานต้องผ่านสมาธิที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์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 เพราะนั่นใจจะเป็นกลางไม่ได้จนกว่าจะมีสติสัมยะเข้าไปประคับขรองเป็นที่ตั้งของมันนะนี่ในกรณี้หายสงสัยไหมถ้าคุณคุณคุณไดถามข้อนี้หายไหมนะถ้าไม่หายสงสัยก็ไปปฏิบัติต่อเนาะเพื่อให้ข้อต่อไป เรื่องยานสามของพระบรมศาสดาเชื่ออาจารย์เล่าค้างเล่าค้างไว้ข้อที่ปุเพจุดูปปัตยานอาสวัคยยานเนี่ยที่วงเล็บของว่าพราหมณ์หมายความว่าย่งไงวงเลว่าพราหมณ์หมายถึงว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไปรู้บุเพนิวาสะนุสติญาใน ล, ลักษณะที่เป็ น, า ย, า น, ปนายานที่เป็นมิจฉา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 ชาตินั่นน่ะเราเข้าใจมาหมายถึงอะไรหลวงพ่อทำปิดกท่านให้จากัดความไว้ดีคำว่าชาติที่แล้วนับตั้งแต่วินาทีที่ผ่านเราไปนไปัจจุบันเนี่ยวินาทีที่ผ่านเราไปนี้เป็นชาติที่แล้วทั้งหมดเพราะนั้นชาติที่แล้วของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราเระลึกได้หมดไหมว่าแต่ละวันเราคิดเรื่องอะไรคิดถีเรื่อง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 ฟังและได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์ในวันนี้ทําให้าศว่าที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติในขั้นสมถะไม่เกิดปัญญาที่ทำนำําไปสู่การทําวิปัปสนาวันนี้พอจะเห็นแนวทางแต่ก็คงยากที่จะปฏิบัติเองจะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จะเปิดคอร์ดการปฏิบัติขึ้นที่ไหนบ้างเมื่อไรน๋ออันนี้ให้ติดตามรายการนกเลยกันนี่นะ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 ให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะให้มันเจ็บตัวน้อยที่สุดนะขยายนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางอื่นต้องไปเจริญสติเท่านั้น <c oughs> ไม่มีทางเลี่ยงครับนะโอ้พรทีเจ้าหัวเอกายนาวมะโคไม่มีทางเดียวอ่ะไม่มีทางอื่นเลยที่จะปลอดภัยจากทุกๆ ก, กรณีนะเอกายนาวสตานังวิสุทธิยาท่านบอกโสกปริเทวนางสมรติกมายะทุกขโทมานัสสานังอัังขมายะ อย่ายัดส่ที่มายะว่ามันจะให้ปลอดภัยทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ต้องทำแบบกรรมนี้อ้าวรลยต่อไปว่าอย่างเวลาที่รูซื่อๆรู้ไปเฉยๆนะาค่ะเวลาที่ความความหุบหินมันมใช่ไเจ้าค่เราโยงรู้ไปซื่อๆโยงก็จะเห็นว่าความหุบหิเนี่ยมันหาไปจ๊ะอยากจะเนถามว่าถ้าูซื่อๆอยากถูกถูกทางไปเรื่อยๆ่ยจ้าค่ะสุดท้ายแล้วนี่ความหุบ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 ถามวนะ่หาย่ไมได้หาวันหนึ่งคุณขี้เกียจทำมือ ก, กี่ยวกับเข้มข้นเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเกลือแก้วนั้นน้ำมันแห้งกลับเป็นเกลือเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมอันนั้นแหละเรียกว่าความรู้สึกซื่อๆนะั้นเหมือนน้าเปล่าที่บริสุทธิ์เข้าใจนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะหมดแล้วเคลียร์นะขณะ น, นี้ถ้าใครไม่ได้ดวงใจเห็นทาําก็ไกลเหลือเกินแล้วนะ